เรื่องเวชนดอนปริทัตตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเราได้เอาบุญพระเวันดอนกันมาบนพื้นแผ่นดินภาคอีสานนี้อย่างที่ได้กล่าวไว้วว่าชัดเจนที่สุดก็พอสอบประมาณพอสอบสองพันสามร้อยยี่สิบเก้าจนถึงปีนี้มันก็ฟาดเข้าไปสองร้อยกว่าปีแล้วที่นี่มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอีกอันหนึ่งวานนับปาด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 มีที่พูดไว้ชัดเจนที่พอจะเป็นหลักฐานก็คือหน้าที่560ของจริยาที่9ปฏิปิฎกเล่มที่33บรรทัดที่9มีคำบาลีว่าทัศมาเสธารยิตวากาโลเตปูรังตะ ก, กินังเวสานังวิชีนังมัชเชชะเนสิปุสตตีวะมังนัมไมฮังมติกังนามัง นะปีเปติกาสัมภวังชาเต ท, ทเวสวิทยังตัสสมาเวสันตโรอหุแปลว่าพระนางผุดสดีทรงพระคันครบสิบเดือนเมื่อทรงเที่ยวรอบเมืองพระนางก็ได้ประสูตรเราณถ้ำนะกลางถนนของพวกพ่อค้าของคนค้าขายพระนามของเราจึงไม่เนื่องข้างฝ่ายมารดาและบิดา เพราะเราเกิดในถนนของคนค้าขายฉะนั้นเราจึงมีชื่อว่าเวสันดอนนี่ภาษาบริวัิตัตสมาเวสันตโรอักณไมหังมติกังนาบังนามของเราจึงไม่เกี่ยวข้องณนะปีเปติกะซัม า, าวางเพราะเอ็นั้นแนีนามของเราจึงไม่เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับข้างฝ่ายมารดาและบิดาเป็นเรื่องราวที่พระติจารรำเล่าเรื่องตัวของท่านเอง ท่านอย่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็อตามใจของท่านว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องปลอมท่านมีสิทธิ์ที่จะคิดได้แม้แต่ว่าพ่อคุณลามคำแหงก็ดีหรือว่าพุทธยอดฟ้าจุลาโลกก็ดีไหมมีตัวมีตนเกิดมาไม้เห็นเป็นเรื่องแตง่งเอาก็ย่อมเป็นสิ่งที่ท่านจะคิดได้หรือนอกจากพ่อของท่านไปปูย่าตายายลึกขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อของพ่อของพ่อของพ่ อ, อ, พอมีหรือไม่คนนั้นชื่อใช่หรือไม่ทําไมไม่เชื่อก็เป็นได้ ก็ไม่ได้ว่าอะไรวพรานในเรื่องบุญพระเวสสันดร น, นี้ต้องถือว่าเป็นกุ๊เป็ น, ปนบุญที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะว่าในเรื่องราวตัวละครของเรื่องพระเวสสันดร น, นั้นมีแต่เรื่องราวที่สอนคนให้คนเป็นคนดีเริ่มตั้งแต่เป็นผัวที่ดีของเมียอย่างพระเวสสันดรเป็นเมียที่ดีของผัวอย่างนางมัตสีเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ดังนั้นอย่างกันฮาชาลีอย่างนางอามิตตตา ถึงขนาดพ่อแม่เอาใช้นี่ก็ยอมซึ่งมันไม่เหมือนลูกสาวสมัยนี้เลยอย่างไดก็เอาทำเองเจ้าเขาืนที่ตายแล้วไม่าันไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามความปรารถนาของพ่อแม่เพราะเหตุนั้นในเรื่องพระเวสสันดร น, นี้จึงมีเรื่องราวเป็นนักการเมืองที่ดีอย่างพระเวสสันดรถูกขับไล่นี้ถูกไล่นี้ที่ทรงเพราะเหตุแห่งการสร้างคุณงามความดีเหมือนผลตีจำลองเขาหาว่าใช้เงินไม่หมดแต่ในที่สุดก็ถูกรับเลือกเข้ามาอย่างท่วมทน้น ทั้งหมดนั้นคือนักการเมืองที่ดีเอาคุณงามความดีเอาความจริงความซื่อ ส, สัตย์จริตเอาสินเอาทำมาเป็นเครื่องวัดของตนเองทดสตอบทัดทานอยู่ตลอดต่านพระเวสันดรเป็นนักการเมืองที่ดีทุกไลน์นิจาศีพีเชตุดอนเซล่นานนครเจตลาภยังเชิญขึ้นไปเป็นพระเจ้าแผ่นดิน และก็ไม่รับพ่อเห็นแก่ความสงบเพ่มเย็นของแผ่นดินกลัวจะรบราคาฟันกับสีปีเชตุดอนนั้นเพราะความเสียสละไม่หืนจะหายอํานาจราชศักในที่สุดก็ต้องได้กลับมาด้วยอํานาจแห่งกุนงามความดีในเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมองข้ามเป็นเรื่องลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นเรื่องสิษยที่ดีของครูปราอาจารย์เหล่อนักการเมืองที่ดีของประชาอนาประชาลา้านนายพานเจตลาดเป็นคนสื่อสัตา์ทํางาน ตามคําสั่งของพระราชาเป็นการจัดการที่ดีเป็นนายานดานหมอยามที่ดีที่สุดทําให้เราได้เห็นอย่างนี้พระเวสสันดอนเป็นนักการเมืองที่ดีถูกไล้นี้ที่ทรงเมืองอื่นจังขัลรับขอเชิญเป็นพระราชามันผิดกับมาโกะมันผิดกับโนลิเอกามันผิดกับโพสิสคู่ถึงถูกแขวนคอไปแล้วที่โรมาเนียมันผิดกับพระเจ้าชาปาเลวีที่อิหร่านถูกไล่นี้ไม่มีแผ่นดินแก่อยู่ นักการเมืองสมัยนี้หาตัวอย่างจับอย่างพระเวสสันดรไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายก็จึงไม่ควรจะมองข้ามเรื่องประเวสสันดรว่าเป็นเรื่องปลอมาไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆแตง่งกันเกิดมาเฉยๆแค่ช่างเธอถ้าว่ามันมีประโยชน์แล้ว ก็ควรยังไงนำมาพิพจารณามาสั่งมาสองกันมุ่นเฮงในการเอาบุญพระเวทสันดอนเราก็เริ่มเทกันเรื่องบาลายหมื่นบาลายแสนไอ้เรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนนี้ไม่ได้วาดกันให้ละเอียดหน่อยเมื่อก่อนตอนเคลียร์พื้นที่อยู่ไอ้เรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนนี้จะเริ่มต้นก็คือเรื่องเทวดานั้นแหละมาลัยหมื่นก็พูดเรื่องเทวดามื่นมาลัยแสนก็เทวดาเป็นแสน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 แต่ท่านไปเที่ยวทัศนาจร น, นาลกบั้งสวรรค์บั้งมีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ญาติโยมฟังนาลกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนี้เอานาลกมาเล่าให้ญาติโยมฟังเขาตกทุกข์ในยากลําบากก่อเหตุการณ์ทำความชั่วอย่างโน้นค่าสัตว์ตัดชีวิตรั ก, กอกโจคอผิดอกผิดใจหลวงลําประเวณีของรักของจบใจคนอื่นหลกเขามีท่านผัวใครหลวสาวใครแม่ด้วยญาติหลวงเกินไปมุกซา ก็หกกพกลมหลอกลวงกินเหล้าเมายาทำให้ตนเองเสียสติสัมปชัญญะตายไปแล้วตกนรกอย่างนั้นอย่างนั้นท่านไปเห็นเนี่มาเเล่าให้คนฟัง แล้วก็ไปสวรรค์เห็นความสวยสดงดงามของสวรรค์ทําบุญซุนโทรท า, านด้วยอันใดไปสอบถามสัมผัสเทวดาได้เรื่องราวมาเล่ากันอย่โยมฟังคนตั้งหลายเขาเค้ฟังแล้วหวาดกลัวต่อนรกปราธนาความสุขบนชั้สวรรค์เขาก็อายชั่วกลัวบาปสร้างคุณงามความดีละชั่วแล้วก็มาทําดีคนสมัยก่อนกี่เขาเชื่อพระเชื่อเจ้า สมัยนี้ผู้อย่างนั้นนักวิทยาณ น, นักการศึกษาสมัยใหม่โลกยุคใหม่ที่จเจริญทางเทคโนโลยีทางว่าถไาาูไม่เจอว่ามีโลกหนาไม่เจอว่ามีนรกมีสวรรค์ตายแล้วก็แล้วไปขอให้ได้อยู่ได้กินได้สนุกสนาน eat and drink beer and r m ทุมโลวิเมดได้ว่าเป็นภาษาฝรั่งตามก้นฝรั่งว่ากินก็ไมดื่มก็ไปสนุกสนานก็ไปพรุ่งนี้เราอาจจะตาย พอเห็นนั้นเรื่องราวของพระเวชสันดรเรื่องราวในพระสาสนาจึงมีข้าน้อยคนไม่ค่อยจะสนใจแม้แต่เรื่องราวของพระเวชสันดรเอาไปเอามาพระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์ก็ยังพูดอีกว่าเอ้ยเรื่องพระเวทสันดรนี่แดงขึ้นมาสุดๆหรอเว้ยบาลล้าราห์น พอพายอมผู้เราเอ ง, เองที้มันก็เลยเสร็จเลยไม่รู้จะไหวอย่างไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนั้นก็ต้องเชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีบุญคุณบิดามารดามีสมณะร า, ามีผู้รู้แจ้งเห็นจริ ง, รงชาตินี้ชาติหน้าโลกนี้โลอกอื่นมีถ้าเชื่ออย่างนี้ก็เชื่อได้เลยว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากนําไปสู่บุญส่วนสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงก็คือการทําลายอา สภาวะให้สิ้นไปเป็นกูมีกูซนเป็นวิบากมีความเข้าใจวัดทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี่ความดับลงแหงรู้ค้นทางปฏิบัติเพื่อดับทุกสามารถทําได้ทําให้เกิดไัยบีได้ทำลายอาร์ตว่ากิเลสให้สิ้นไปดับพบสิ้นชาเกินโตความสิ้นทุกไปโู่นิพานได้อมตมาทำได้ในชาตินี้ชีวิตนี้ได้เป็นอย่างนี้ <c oughs> ขอประธ า, น, านน้ำใหกินน้ําหน่อย ผูดไปพูดมามันก็หมดเสียงก็เป็นอันว่าเรื่องพระเวสสันดรนี้เราจะต้องเข้าใจเริ่มต้นที่โลกพระสีอานเรื่องนี้มาเกี่ยวกับพระมาลัยพระมาลองค์นี้ขึ้นนาะแล้วขึ้นสาวนันลงนาะโลกมาเที่ยวบอกญาติโยมแล้วก็ วันหนึ่งท่านไปเที่ยวบินธบัตทุกเช้าและ้ามาลัยอุนที่มีต้นกําเนิดบ้านเกิดเือง์นอนของท่านอยู่ที่กัมพชะขามกัมพชะขามมาเลยะชนบทที่ประเทศศรีลังกาทุกวันเนี้ยจะได้กอาหลังกา <c oughs> เสร็จแล้วท่านก็ไปบินธบัตไปบินธบัตแล้วทุกวันทุกวั น, วนมีคนยากคนจนชายหนุ่มคนหนึ่งเลี้ยงแม่ตาบอด ไปเที่ยวตัดฟืนค้ายไปเที่ยวเกี่ยวหญ้าขายเอาอยาไปขายให้พระราชามหากรสเตตีเขาซื้อไปให้มา้าเขากินสําหรับเทียมรถมา้าพูดทุกวันนี้ก็คือรถที่ต้องเติมน้ํามันมา้าที่จะต้องกินหญ้านั่นเองและเขาก็เดินสวนทางกับพระทุกวันมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าเออตัวฉันนี่เกิดมาเต็ไมไปด้วยความทุกข์ยากลําบากน า, นานาประการอยากจะทําบุญสุนตรทาสเหมือนชาวบ้านเขา แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะให้ทานพอทุกยากลำบากต้องเที่ยวไปหาเก็บผักขาดปืนเกี่ยหญ้ามาขายพอเลี้ยงชีพเลี้ยงแม่ไปบันๆอย่างนี้ทำจะไหนเนอะเราจะได้ทำบุญสุนทรรกับเขาบ้างในที่สุดมีอวันนั่งไอ้คนหนุ่มทุกตะคนนี้ได้เดินตวนทางกับพระมหาเถระมาหลายทางก็เกิดความเลื่อมใสยอยู่ในใจ เดินลงไปในทุ่งจะไปเกี่ยวหญ้าฝืนก็นไปเห็นดอกบัวเป่งบานสะพั่งอยู่ท่ามกลางบึงหนองก็เลยคิดขึ้นมาว่าเออดอกบัว น, นี่สวยงามทแท้ๆเราไม่มีอะไรที่จะทําบุญซสุนทรหารเหมหนชาวบ้านเขาคนอื่นถ้าฉะนั้นเราลงเอาดอกบัว น, นี่ไปทําบุญเห็นท่าจะดีเป็นแน่แท้ก็เลยหันหน้าหันหลังไปมีแขกไปไทยมาไม่มีคนเห็นก็เลยแก้ผ่านลงสูบ น, น้ํา ไ้เด็ดเอาดอกบัวที่กําลังสวยงามดอกตูมๆและกันดอกกําลังเยีมบาดเอาขึ้นมาแปดดอกเสร็จแล้วก็เดินมานุ่งผ้าเรียบร้อยเดินก็มาในบ้านมาส่วนกับพระมหาเถระก็เลยตั้งใจทําบุญยกดอกบัวนี้ถวาไหวใส่บาตรให้ท่านท่านก็นก ร, รับเอาแล้วก็นั่งประนมมืออธิษฐานใจถึงความทุกข์ยากลําบากก็ให้ผ่านพ้นจากกําเวณยเด็ดเป็นคนทุกข์ยากลําบากอย่างนี้เลย พระมหาเถระเจ้าเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีเจโตรปริญญากำหนดรู้ใจของผู้อื่นท่านเพ่งดูจิตในจิตภายนอกคือดูจิตในจิตของคนอื่นนั้นท่านก็รู้ว่าชายหนุ่มคนนี้มีศรัทธาปราสาทอันแรงกล้า แต่เขาทุกอย่างลำบากเขาก็ได้ทําบุญเพียงแค่ดอกโบวด์ด้วยจิตใจอันสรัทาปาสาทเรื่มใสพระพุทธเจ้ากล่าวว่านัทธิจิตตังประสั้นนาเหอุปการนมามัทขีนาเมื่อจิตใจเรื่มใสและบุญนั้นจะเชื่อว่าเป็นของเล็กน้อยไม่มีญาติโยมทั้งหลายเราเป็นคนทุกคนยากบัน่นนอกของนาเศรษฐีมีเงินทําบุญสุ้นทรทานทีแล้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านบางคนทําเป็นล้าน แต่เราก็ทำเท่าที่เรามีแม้จะทุกข์ยากลำบากเก็บพร้อมรอมริบทั้งสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปากระตินทีปาแบกแลังนุ่นบางครั้งต้องกินไม่อิ่มเจียดเงินเจียดทองหรือสิ่งของมัธ บ, บุลสุนตรหารพอทำไปแล้วก็สบายใจชื่นใจเบิกบานใจ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 แปดหมืนสี่พันตัวมาแปดหมืนสี่พันตัวถาทองคำแปดหมืนสี่พันทองคําเต็มเลยแหวนเพชรนินจินดาทานไปแต่จิตใจไม่มีความเลื่อมใสอะไรทานไปแล้วก็แล้วพอเรามีทรัพย์สมบัติมากแล้วไม่ได้สนใจเอาให้ไปแล้วคนแล้วปลาคนว่าได้บุญไม่มากนักได้บุญน้อยเมื่อหันล่วงรับดับไปแล้ว ไม่เหมือนบางคนทุกข์ยากลำบากยกใส่เกล้าเท้าใส่หัวมีสตาจนน้ำตาไหลโอ้ยทุกข์ยากขนาดนี้ก็ขอได้ทำบุญทุนตอนละทานสักห้าบาทสิบบาทเลยเถอะทำไปแล้วก็ไปคิดสบายใจดีใจอยู่เป็นห้าวัน1ิบวันเป็นเดือนเป็นปีโอ้ยทุกข์ยากขนาดนี้เราก็ยังพอได้ทำอยู่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 อันนลสีสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงชายหนุ่มคนนี้เกิดศรัทธาอยากทาบุญทุกวันพลาแต่มันทําไม่ได้วันนี้เลยได้ทําบุญด้วยดอกบัวมหาเทระเมื่อฉันเส็กก็คิดว่าเออคนยากจนคนนี้เขาปราฏนาบุญยิ่งนักเขามีศรัทธายิ่งนักในพระตระนตายแต่เขาไม่มีอะไรจะทานวันนี้ก็มีดอกบัวมาให้ทานเอาเถิดเราจะทํายังไงหนอที่จะให้เขาได้บุญได้กุศลมากที่สุด สมกับความปาถนาของเขาเมื่อพระเทเรซคิดอย่างนั้นก็เลยมานึกได้ว่าวันนี้เป็นวันพักวันพระนี้ตามปกติธรรมดาเทวดาทั้งหลายในสวงสวรรค์จะต้องมาบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลามณีสีสันเพชรจิสถิตจุบันดาวดึงสวรรค์ท่าฉะนั้นเราจะเอาดอกบัว น, นี้ไปบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลามณีเขาว่าพระธาตุเกแก้วจุลามณีนั้นก็คือพระธาตุบรรจุ ผมผมพระพุทธเจ้าตอนออกบวชเทวดาคือพระอินทมารับเอาไปไว้ที่น่นไม่ใช่อยู่ที่ดอยนางแลที่เชียงใหม่นะเดี๋ยวนี้มีพระมาลายภาคสองแล้วพนิกรธรรมวาทีด็ก็พาท่านไปทัวนิพพานว่ากันไปนั่นเองโอ้อย่าโยบุตธบริษัททั้งหลายอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออะไรไง่ายๆนะนิพพานจะไปทงไปทัวได้ยังไง พรนิพพานนั้นไม่มีการไปไม่มีการมานะนาคาติงนะนาคาติงไม่มีการไปไม่มีการมานะจุดติงเนาะ ป, ปติงไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีการเคลื่อนและนิพพานนั้นไม่มีในดวงดารา น, น้ยใหญ่ไม่มีในติดในน้ำในไฟในลม แต่มันอยู่ที่ความดับลงแห่งความทุกข์ในจิตในใ จ, ในใจอย่าเป็นหลงเฮิรเหิมหลงเชื่อพอม่าลาภาคสองแล้วก็ไปซื้อดอกไม้ซื้อดอกทบแทนแล้วก็จะไปบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลามณีสีสันเพชรจุติดอยนางแลพระทับมนิมิตเจดีย์นะ่ยไว้อย่าจมระวังให้ดีนะาลายภาคสองไม่มาไม่เหมือนาลายภาคหนึ่งฟังให้ดีคําว่าจุลามณีเนี่ยความหมายนี้เรายังไม่เข้าใจ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 ได้ตัะพามาลีด้วยพักขันริมฟังแม่น้ำอโนม า, าอธิษฐานเพศนั้นนะ่ะเทวดาเห็นก็นมารับเอาผมขอมัดจำจะนับถือศาสนาศาสดาองค์นี้ท่านเด็ดเดียวหรือเกินออกจากราชวังมาบวชท่านจะต้องบรรลุธรรมสูงส่งเอาเธิดเราขอมัดจำไว้จะนับถือองค์นี้เราทั้งหลายมัดจำหรือยังอยนี่มัดจำหรือยัง S <S <an> จุรามณีต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรื อ, อยังหรือวันนี้ฟังเทศวันนี้ตอนเช้าไหว้พระซ้ายมาไหว้ผีไหว้ต้นไม้ไหวภูเขาเจ้าทุงเ จ, า จ, า จ, าจา้าท่าเจ้าตาเจ้าเขาไหว่ไม่มันไปดะไปหมดเลยไหว้ไปหมดต้นไม้ต้นไหลเอาผ่านเรื่องเรื่องไปหนุ่งเดี๋ยวไปไหว้ทำโน้นเดี๋ยวไปไหว้ทำนี้ไปขูดต้นไม้ขอเหล็กขอหอยไปกะไปนึงถ้าอย่างนี้ยังไม่มีจุรามณี จะไปดอยนางแลอีกห้า b i l l o ครั้งก็ไม่เห็นจุฬามณีคือยังไม่มัดจำยังไม่มั่นใจเราจะตัดเสื่อผ่าตัดการเกงจะไปซื้อของจะมีต้องมีเงินดาวต้องมีเงินมัดจำจะไปทำอะไรเขาให้มัดจำเพื่อเรื่อป้องกันการเปลี่ยนใจที่จะไปทำอย่างอื่นาเปลี่ยนใจแล้วมันก็สิ้นเงินทองที่มัดจำเปลืองไปเปล่าๆไม่มีประโยชน์นี่ความหมายของจุฬามณีคือมัดจำมัดจำ มัดจำป้องกันการเปลี่ยนแปลงเดียวนี่เรามัดจำต่อพระพุทธพระธรรมระสงค์ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเอินไม่ไปกาพูดพีปีซาตต้นไม้ภูเขาลำธารลหารห้วยไม่เอาเสียข้อสะดอนามไปตัดกาตัดเวรไปเสริมสเสนเสริมมองคอนนั้นมันยังไม่มัดจำให้เขาหลอกกินหัวฟีฟ เสนเนไปบอกความงามมงคลไปว่าความดีอาเซววนาจะพาลนางบัณฑิตานั้นแจกไสววนาไปจนถึงปุถุศาโลกธรรมเมหิจิตตังยศานกรรมปติเริ่มตั้งแต่ยาคบคนผ่านคนชั่วไปครบแต่คนบัณฑิตคนผู้รู้เป็นมิตรเป็นครูบาอาจารย์เรื่อยเปไปถึงหมอกสามสิบแปดประการนั่นคือมงคนไม่ต้องซื้อพอบาตไม่ต้องให้ใครมาเสิร์ฟไม่เสียเงินเทียทองอาจจะไปแหเข้าเสิร์ฟเสน่เสริฟมงคลมันไม่ได้เสนเนมันได้แต่ สันเนศไอมงก้อนก็ไม่ได้ได้แต่อัปมงคลคือความซวยอัปปีจังไรใส่เจ้าองหมดเงินหมดทองนี่แหละโทษที่ไม่รู้จักจูลามณีคือความมัดจาต่อพระพุทธประธรรมประสงค์ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงธรรมะพระพุทธเจ้าว่าสอนว่าสุทธิสุท ธ, ทธิประจัตางานโยนอย่างวิโสทะเยความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นจะทําให้บริสุทธิ์ด้วยการตัดกรรมตัดเวรให้ไม่ได้ เขาตัดเราให้เรามีกรรมใหม่คือเสียเงินเสียทองเราจะต้องตัดกรรมของเราเอาเองสภาพะกรรมมันขยังปัดโตกระทาให้สิ่นกรรมทั้งปวงกรรมเก่าอยู่ในตาในหูในจมกูกในลิ้นในกายในใจจะขูปูรณนะกรรมมังโซตระปูรณนะกรรมมังคานะปูรณนะกรรมมังเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่เกิดแห่งกรรมของการการะทําด้วย เจตนาอันจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจทำยังไงจะตัดกรรมตนนี้ก็มีสติจอที่ผัสสะทิศทั้งสุตังมุตังวิญญาณังปรเยสิตังอนุวิจาริตังมนสตาตัมปิอุปัฏยิษสานี ในเห็นได้ยินได้รู้แจ้งได้สว่างฮาได้พิจารณาด้วยใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเพียงสักแต่ว่าได้เห็นได้ยินเท่านั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นอันโตทุกขาตาอันตากิริยายวิญญาณังอนุสีตาวิญญาณไม่มีที่อาศัยถึงที่สุดแห่งทุกสัพกรรมมกยังปัโตนันคื อ, อการกระทำให้สิ้นกาม ไม่ใช่ไปจ้างเขาไปซื้อดอกไม้ไปซื้อลูกมาทบแทนไปซื้อลูกป่าคํากับเขาให้เขามาตัดกําตัดเวนให้เขาเสริมสันเนเสริมมงคลมันไม่ได้สันเนได้แต่สนเนตไม่ได้มงค์นได้แต่ความอับ ป, ปี่ซีกระดานความจังไรเสียเงินเสียทองเปล่าๆนี่แหละไม่รู้จักมัดจําจุรามณี เป็นความหมายเอาว่ากันไปพระมาลัยได้นำดอกไม้ขึ้นไปบูชาพระธาตเกแก้วจุฬามณีที่ดาวดึงเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลอย่างยิ่งใหญ่แก่คนอยากไรคนนั้นปากรณว่าไปถึงพระอินทร์ดีใจมากเลยนานๆพระจึงจะมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งบนสวงสวรรค์พระอินทร์และทวยเทพทั้งหลายก็พากันมาไหว้เพราะปกตินิเทพดาจะต้องไหว้พระ พระสงองค์เจ้าในบีศักดิ์ศรีศักยภาพสูงกว่าเทวดาเพราะท่านมีสินตีทมเทวดาบ่าวายังน้มันสันติเตวิชาสเพปุมมาจักขติยาจัตารโรจปปะค้าราชาติทัศน์ซาเจยะสัตติโนอหันจะสิระซัมปันเนจิระทัศสัมมาหิเตสัมมาปปัจิเตวันเทพมจริยมปาราจันี่เทวดาทั้งหลายเหล่าทามผู้บรรจบไตผู้บรรลุไตวิชา ตลอดทั้งกษัตริย์ทั้งหลายทั่วทั้งแว่นแคว้นในภูมิภาคท้าวจตุโรคกาบันทั้งสี่มหาราชทั้งสี่ตลอดทั้งถวยเทพในไตรทศผูุ้งเรื่องด้วยยศย่อมกราบจ่อมไหวบุคคลผู้มีสินย่อมกราบย่อมไหวบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่ในสมาธิยาวนานย่อมกราบจ่อมไหวบุคคลผู้บวชแล้วโดยชอบยอมกราบจ่อมไหวบุคคลผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้า คือจะทําให้บริบูรณ์ด้วยสินสมาธิภาวนาสมาธิปัญญาในวันใดวันหนึ่งในเมื่อท่านประพฤติธปฏิบัติดูอย่างนี้เลยว่าผอมมจริยะปาราเนยผวกเทวดาทั้งหลายย่อมกราบย่อมไหวพระมาลายขึ้นไปเทวดามากราบไหวพระอินมากราบถามพระปู่เป็นเจ้าเป็นบุญของชาวสวรรค์แท้ๆท่านขึ้นมาโปท่านมาจากไหนแห่งก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โยอมอาตมานี่มาจากนน่นมาลายยะชนบทเมืองมนุษย์ชมพูเทวีโ น, น่น ต้องการขึ้นมาบนสวรรค์นี้เพื่อจะนำดอกไม้ดอกบัวนี่ของคนอยากไล่เพื่อเกิดบุญเกิดอุศนแก่เข้ามาบูชาพระาธาตุแก้วจุลามณีวันนี้วันพระสิภาคัมเทวดานทั้งหลายย่อมมาบูชาที่นี่มากไหมนี่ในเรากำลังเข้าสู่กันมาลายเหมือนมาลัยแสนนะ ฮ อ, อนพระอิน์ก็บอกว่ามามากวันนี้มามากเทวดานั้งร้ายจะต้องหลังร้กันมาบูชาพระถาเกแก้วจุลามณีทหาใครไม่มาก็เป็นเทวดามิชชาทิฏฐิตายแล้วก็ไปเลยเพราะพระพบเจ้าตรงนรกปอมแปมไปเลยว่าอยา่างนี้เออถ้าอย่างนั้น เทวดาซึ่งอยู่บนชั้นดุสิตอันมีนามว่าเทพพระบุตรศรีอาริยะเมไตไกรผู้จะไปตัดตะลุนุตระสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากสิ้นศาสนาพระสมมาสดมนีจ้าจะมาบูชาพระธาตุแก่แก่จุลมณีหรือไม่ไพ่อินก็บอกว่าต้องมาครับมาๆมๆามามาถ้าอย่างนั้นวันนี้เป็นโชคดีของเราจะรอคอยพบจะอินเตอร์วิวสัมภาษณ์กันหน่อยเป็นอย่างไรเนี่ยไปดันงนี้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 พระอินบอกว่าเฮ้ยนั่นน่ะเทวดาชื่อไม่ปากรยศไม่ลือชาเทวดากาจัจจอกระจอกจะไปเรียกว่าเป็นศรีอาริยเมตตายังไงโอ้นี่ขนาดนี้ก็ยังว่ากระจอกบริวารเป็นร้อยเห็นไหมนี่หลั่งไหลมาสวยสดงดงามเครื่องประดับอลังการแต่ก่อนเขาทําบุญซุนโทรหารนอะไรพระอินบอกว่าเมื่อก่อนเขายังเป็นมนุษย์นั้นเขาได้ทําบุญคือไปเลี้ยงัวเลี้ยงควายกินข้าวไม่หมด แล้วก็เอ า, าตั้งไว้ในตอก็มีจิตใจปารธนาก็าให้ฟุ้งนกฟุงกาได้กินทานข้าวให้แกกาด้วยจิตใจอันมีศรัทธาปาศรัทธาเลื่อมใสปารธนาเมตตาปาณีที่ดีงามต่อสัตว์ทั้งหลายตายมาได้เป็นเทวดาบนสวรรค์บริวารเป็นร้อยห้าร้อยนี่เห็นไหมแหมญาจอมพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยถ้าทําบุญให้แกกาตั้งไว้ในตอ น, นั้นได้เป็นเทวดาบริวารมีสี่ร้อยห้าร้อยเราทั้งหลายทุกวันนี้ทําบุญคู่มือเนาะ ทำบุญทุกวันกับพระรงฆองค์เจ้ายอมได้บุญมากกว่านั้นแต่ก็ไม่แน่พระพระพุทธเจ้ากล่าวว่านัตถิจิตตังปพัฒนนำเฮปตานามาทักกีนาเมื่อจิตใจเลื่อมใสแล้วบุญนั้นจะเชื่อว่าเป็นของน้อยย่อมไม่มีนะฮะเขาทำด้วยจิตใจเรื่อมใสจริงๆมีเจตนาอย่างนั้นจริงๆมีความภาพภูมิจริงๆมันก็ให้ประโยชน์นะอย่ามองข้ามแต่ า, าเราทําบุญสุนทรภัณฑ์ททิ้งทําขว้างท่านบริยายหนาะบุญสุดแหอมไดคนโบราณพันว่า ไม้ก็ว่าทานไปแล้วให้มีจิตใจเรื่อมไสปีตีปาหมดและลึกถึงบุญถึงบุญสนที่ตนทํกาก็ชื่นใจเบิกบานทราบซึ่งถึงคุณค่าว่าโอ้ยถูกอยากบันไดขอกดการใดเหตุอยู่ดอกมันทูกข์กว่กาการใดเหตุสมคอยทุกจังเนี้ยถ้าทําอย่างนี้ท่านเรียกว่าบุญไม่น้อยบุญไม่น้อยต่อมาก็เทวดามาอีกแล้วบริวารเป็นพันลอยมาในอากาศอ้สวยสดงดงามมาในอากาศเลย ถามมาอะไรก็ถามมานั่นใช่ไหมสีอริยเมตตาเทพบุตรนั้นก็ไม่ใช่ดอกบอกไอ้นั้นนะ่ะเป็นเทวดาธรรมดาชื่อไม่ปากรยศไม่หรือชาเป็นเทวดากระจอกกระจอกเลยท่านทั้งหลายลองคิดดวบอลิวนันเป็นพันมาก็ยังบอกว่ากระจอกก็เลยถามว่าเขาทําบุญด้วยอะไรเมื่อเขายังเป็นมนุษย์ยังเด็มาเป็นเทวดามีบอลิวนันเป็นพันอย่างนี้พระอินก็บอกว่า เทวดาที่เป็นหัวหน้าได้มีบริวารเป็นพันเต็มไปด้วยเครื่องประดับอลังการสวยสดงดงามเพชรนินจินดาววาววับสวยงามในอากาศและยิประยับอย่างนี้องค์ดีเมื่อก่อนเป็นมนุษย์นั้นก็ไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายไปกับเพื่อนกระฟงเขากินก้าวกินปลาไม่หมดแทนที่เขาจะทิ้งจะขว้างเขาก็เอาให้เพื่อนกินเอาให้คนทุกคนอยากที่กําลังขาดแค่เดี่้วห้อยกิน ด้วยบุญด้วยกุศลนั้นเขาจึงได้มาเกิดเป็นเทวดาบีบริวารเป็นพันพันดังที่ท่านเห็นนี้แ ห, หมเรื่องมันเป็นอย่างนี้การทําทบุญเพียงแค่นี้ก็มีบริวานเป็นพันเป็นหมื่นท่านสราบชุชนทั้งหลายลองคิดดูเถิดพวกเราทําอยู่ทุกวันนี้มันยิ่งมากกว่านั้นน่าจะได้บุญได้กุศลมากกว่านั้นคอยอย่าโยมทั้งหลายจงมีปีติตาโมทในการกระทํา อีกสักพักหนึ่งก็เห็นอีกแล้วเทวดามาอีกแล้วหน่อยหนึ่งนั่นเทพประบุษพร้อบมัวริวานหนึ่งหมื่นมาข่าบไหวจุล拉แกวเกตมานี่อันว่าเทพประบุษตนหนีเมื่อก่อนมีสัทธาถวายเข่าปลาแกซ้ามเล่ น, นหน่อยผู้มีสินสิทธ์จวดบริบูรณ์บอดตางบริวานแห่ขังเติมไต่หมื่นตนนี่ว่ากันอย่างนี้องค์นี้มาอีกแล้วเทวดาลังไลมาแต่มีบริวานเป็นหมื่นภาษีนั้นพระมาเลยก็เลยถามออก อง์นี้ถ้าจะใชยมืดฟ้ามัวสวรรค์บริวารเป็นหมื่นพระอิน์ก็บอกว่าโอ้ยอันนี้ก็ยังกระจอกดอกคนนี้ได้ทาบุญตอนที่ยังเป็นมนุษย์แต่ทําบุญให้แก่เนนตักบาให้แก่เนนหยาดโยนเท่าวันนี้ตักบาให้หอดจบคุณหอดเพระ่าชากันนะครูบาอาจารย์ใหญ่ๆอยู่ทาไหนเขาไหนปีนป่ายกันไปไ ป, ไปทําบุญกับท่านเหล่านี้เพ <c oughs> ื่อเกิดท่านเป็นพระอริยบุคคลจริงๆก็คงจะได้บุญได้คุ้ม้นมากขันผู้มีสินมีธรรม อกเว้นแต่ท่านจะไปถูพระอัลลหมุนทั้งหลายอยู่บนภูบนเขาไปหาเงนินนะตอนบอกเลขบอกหวยอยู่อย่างนั้นก็คไม่แน่แต่ในนี้ที่มีบริวารมื่นหนึ่งมื่นฟ้ามัวสวรรค์มาเนี่ยพระมาลัยถามก็บอกว่าคนนี้ไม่ใช่เทวดาองค์นี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าตอนที่เป็นมนุษย์นั้นได้ทําบุญกับสา ม, มาเณรน้อยๆผู้มีศีลสิทธุถวนบริบูญุญบอต่างบริวารแห่ขากเต็มไปมืน่นต้นวะสัตว มาลายหมื่นมันอยู่อย่างนี้มันก็เลยมาจบแค่หมื่นนั่นแหละถ้ามาลายแสนก็จบแสนที่นี้ก็เข้ามามีอีกหมื่นฟ้ามมวลสวรรค์มาแล้วทีนี้มาอีกสองหมื่นทีเดียวพระมาลายท่านก็แปลกใจว่าเอเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าพระศรีอริยเมตไตาที่องค์นี้คงจะใช่แน่ๆพราะมามากกว่าเก่าพระอีนก็บอกวันนี้มีบริวารสองหมื่นอันนี้ก็ยังไม่ใช่หรอกพระพูเป็นเจ้าพระ มาอะไรถ้าก็อยากรู้ถ้าก็ต้องถามซอบแต๊กเหลือง น, นั้นเมื <c oughs> ่อองค์นี้ไม่ใช่แล้ว <c oughs> ก็อยากจะรู้ว่าองค์นี้มีบริวารมากสักขนาดไหนอัศมา น, นบไปถ่ถ่วนอองมันมากไมา่ก า, กายกองเหลือเกินพระอินทร์ก็บอกว่าพวกนี้มีบริวารสองหมื่แล้วก็ถามต่อไปว่าท่านบุนี้เมื่อตอนเป็นมนุษย์ที่ทำบุญสุดทรพหานอะไรพระอินทร์ก็ตอบว่า เมื่อก่อนนั้นเขาได้ทําบุญตักบาตรมีสถาถวายข้าวปลาอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์โดยใจเขารบเอื้อเฟือเมื่อจากนั้นเมื่อตายไปแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเทวดามีบริวารแหรแหนห้อมล้อมสองหมื่นครับว่าอย่างนี้เทพบุตรนิ่มเมื่อก่อนมีสถานถวายข้าวปลาแก่องค์ิกุณเจ้าขันว่ะมอลนะนาแล้วอานิสงส์ทรงสองหมืน่นหอมระว่างล้อมแห่แหน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 เผาศพคนทุกคนยากทุกกรม่อนอนาถ า, าสินทานธรรมม่วนมีถวนบริวารหล่อบรรว่างเลี่ยนตามหมืน่นส้มเสื่อห น, อน่วยมีเสาสอกเงาว่าอย่างนี้คนนี้เป็นคนทําโอกทําอะไรต่ออะไรขายเข็นฝ่ายค้า ย, ายทําตอ่อคุกทําฟื้นภายหลังจากนั้นก่อทาบุญซุน้นทรทานเผาศพคนทุกยากไม่มีพี่มีน้องนี่บวกเราก็เคยทํา ศบไม่มีญาติเราก็ได้ทําบุญกันอีกสักพักหนึงก็เห็นบริวารมาอีกแล้วเทงบรรดาผมน้องบริวารทั้งสี่มือก็ถามว่า น, นี่ก็ไม่ใช่คนนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นเศรษฐีอยู่ในฮาริตาคามเด็กกอบุญซุนตระทานสร้างสินหา้าอุโบสถข่ำเทียนรักษาให้ทานข้าวนา้ําอาหารพร้อมแก่พระสงฆ์คนนี้คือเพียงสินห้านะแต่ทําบุญไม่ขาดเข้าเป็นเศรษฐีเพราะว่าเป็นเศรษฐี อัจจาิสินหาอุโบสถเพียนทําท่านเขาหนาบอาหารฝ่อมแก่สงกันวดับขันเมยียดมรณาลดตัวสี่0มื่นออบบริว่านล่อมออกโตววัชนันคนนี้ก็ยังไม่ใช่อีน้อยก็มาอีกแล้วทีนี้เยอะกว่าเก่าห้า0มืนลังไหลเข้ามาไหวพระหาตเกแก่จุฬามณีก็ถามอันนี้ใช่เลยไมพระศรีอริยเมตไตรเทพบุนี่บอกอย่างไม่ใช่ เป็นคนธรรมดาเป็นเทวดากระจอกกระจอกธรรมดาชื่อไหม่ปา้าก็จดไหม่ลือชาอันวะเทพประวุตตนีเมื่อก่อนเป็นพญาสารราัทธาดิสซื้อไก่เกียดกอกลังากาข่วงพระองค์กองเป็นเอกอนุภาพแพร่กวงข้นหูทั่วแดนพระองค์ถือสั์มันบำเพ็ญเพียรทมศิลโอบสถกินท่านคูเสารบ๊มีเวนกูยามอันวดดับขันเหมียนเมื่อแม่นบอลยู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 เข้าหอบแกวสามเจ้านอพ่อรัตนะไตรเขารบอย่างสุดซึ้งกับทั้งใดก่อสั่งพระสถูปเจดี JD ท่านเขียนหูวประภูตองถวายไหวยินดีให้ท่านท่านคนขมอดปู้นไม่พ่อแกวพ่อท่านคันวันดับขันแล้วบริวารหกมือนแหนแห่เจ้าค่อยเฝ้าคู่ย่ามพอยายเอ๋ย เป็รืว่าคนนี้เมื่อก่อนนั้นเทวดาวองค์นี้มีบริวารหกหมื่น 60, เดืนนี้นั่นเมื่อก่อนเป็นพระราชามหากษัตริย์ทำบุญสุ้นธรรธานปุปกตพอหลังจากนั้นทบุญสุ้นธทรธานเขาบพรนาไตถวายทานเมฆ า, าช่วยคนทุกคนอยาปลูกต้นโพหลังจากนั้นทำบุญสุ้นธรรธานเขาลบพระตนาไตถวายทานเมฆาช่วยคนทุกคนากปลูกต้นโพลหักั้นทำรานเขาพราไวยเมฆายคนทุกคนอากปลูกต้นโลเมื่อเราปลูกที่วัดเขาอาจจะมาปีที่แล้วแม้มีคนมาปลูกกันหลายร้อยคนเจ็ดแปดร้อยคน ท, าาากทนธทกยา นั่นก็คงจะเป็นบุญไม่น้อยนะหากจะเป็นดังกล่าวนี้เป็นอันว่าเราทั้งหลายก็คงจะได้บุญได้กุศลเราก็ได้ปูโภพุทธคยาแม่อุตสาเอาข้ามฟ้าข้ามตะเลมาอีกสักพักนึงก็พบเทวดาอีกแล้วบริวารเจ็ดหมื่นอันนี้ก็ยังไม่ใช่ปติอาริยเมตัยชื่อใหม่ฟ้ากนจดเหม่ลือชาเป็นเทวรดาการจอกหวังนี้พระมาลัยก็ถามว่าเมื่อก่อนเขาทําบุญสุนทรทานอะไรพระอินบอกว่าอันวเทพประมุทตตินีเมื่อก่อนเป็นเน่นมีทิ้นทําสังหอมดีรวด ปฏิบัติเจ้าวิคุสงบอประมาณดับสาแล้วในห้องแห่งสวรรค์บริวารผ่อมม้วนมีเจ็ดหมื่นส้มซืนเเสาัวายแกวงวิ่ ถ้าเป็นไปได้จริงๆอาตมานี่เคยเป็นเนรน้อยปนนิบัติพระสิบสองูกเป็นเนรคนเดียวว้ยไม่ได้หยุดได้ยอนพระท่านกระเคี้ยวแต่มากล้างกระทนอยู่ทั้งวันทั้งปีทั้งชาติแม้ถ้าเป็นได้จริงๆเหมือนดังเนนคนนี้ก็คงจะมีบริวารมากเป็นเจ็ดมือ น, น่อนดังว่านั้นแต่อาตมาไม่ปาถนะ มากกี่หมื่นกี่แสนไม่ปาธนามานันดังนั้นเกิดมามันก็ตายเป็นเทวดาก่มอมรณลภาพเหมือนกันได้เป็นไปได้ที่สุดไม่เกิดดีที่สุดเลยตะพุทธเจ้าบอกหวานัทธิชาติปุนปูนังทุกขังชาติปุณณปูนังเกิดทีไรเป็นทุกข์ํำไปจะได้ดเบิดเิดมัอนอีกเลยถ้าคิดอย่างนี้เลยก็รีบสร้างอุณนงามความดีทำสมาธิภาวนามีสติสัมปชัญญะ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 บุญนี้ไม่สูญหายไปไหนยาจมทั้งหลายเอ๋ยเมื่อวิญญาณยังมีที่อาศัยอยู่กับบุญมันก็ไปสู่คุณงามความดีทางบนวิญญาณอาศัยบาปมันก็ไปกับบาปความชั่วก็ตกทุกข์ในยากลําบากลาบนนรกบอกไม่ไปอย่างนั้นเอาว่ากันไปผ่านพ้นไปแล้วกี่หมื่นเจ็ดหมื่นแล้วนะเจ็ดหมื่นที่นี่ก็ไปพบอีกแล้วเทวดามาอีกบริวารแปดหมืนมากมายกายกองคิดว่าจะใช่พระศรีอาริยเมตไตรก็บอกว่าบ่อเมียนซุ่มหนี่ก็ได้ เทพบุตรต น, นี่เมื่อก่อนสังกาลีเป็นสังกาลีบานเฮาว่าสังกาลีพรษาเตวสังกาลีผู้ทำกิจของสงเทพบุตรต น, นี่แต่ก่อนเป็นสังกะรีอุปาทาคสง์มันเพียนบ่มีขาดย่ามสงเขาโคจรบินทบาดเอิญบอกให้ทราบบานต่อท่าน ขันวาจุตีแล้วเมืองแม่นเทวบลอกแปดหมื่นพอมบริวารหอมแห่แหนเป็นสังกะรีถือปินโตยางไปพ่อมเอินบอกไทยบ้านเน่ยคูมาบินทบาลแล้วเด้เอพากันส่บาดเปพกเด้อบางที ก, ก็พระแขกพระคนมาวัดหมากมากลับไปเอิน เหมือนกับคนพระเนนที่มาอยู่ในวัดของอาตมาเนี่บางทีมา ก, กันเป็นสิบยี่สิบสามสิบมาจากตา่างถิ่นอย่างนี้ถ้ามีใครคนหนึ่งไปเที่ยวบอกเลยว่าเป็นสังฆาลีโอ้ยเงี้ยคู่มาาลายได้วัดเท่าถ้ากันลงวัดลงวานในเดอ้อเอาบุญเอาท่านนํา เ, เพิินเพิ่นมาฝึกมาหาัดอย่างนี้แหละนี่ว่ามีบริวารแปดหมืน 8, 000, ที่เล่าไว้ในเรื่องมาลายเหมือนมาลายแส็ เพาว่าอุปถากสงมันเพี้ยนมีขานยา่มสงเขาโคจรบินทบาทเอ่นบอกให้เศร้าบตดทอท่านขันว่าจุติแล้วเมืองแม่นเทพวันหลอกแปดหมื่นผอมบริวารผอมแหแหนนี่เป็นอย่างนี้เขาผ่านไปที่นี่ก็เข้ามาสู่เทวดาเทพปรมุตรมีบริวารเก้าหมื่น 9, คึกคืนเลยเต็มมุ่งมาหมดเลยที่นี่เข้ามาไหวพระธาตุเจแก้วจุลมาในทํานอันนี้กับบแมนอีกแล้วพม่าไลรปอกอันนี้ไม่ใช่ ศีอาลิยเมตไตยเทประมุตอนนีิเมื่อก่อนทั้งหนั้านประโยชน์ต้นทานธรรมบ่มีขานมือมือหนึ่งมือหนึ่งมื อ, มอบายได้กันในการดวงดอกกํานึงไหวบูชาแก้วเกศมณีขันว่าจุตีเหล้วดาวดึงบัญยูเก่าหมื่นฝ่อฝบริวารเจ้าแหแหนเอาดอกไม้บูชาพระธาตุเกศแก้วจุลมามณีเอาอีกทีนี้มีบริวารมาอีกแล้วสัตว์เข้าไปสิบหมื่นสิบเมืองมันก็คือแสนนั่นแหละ แต่ก็อย่างไม่ใช่สีอาริยเมตไตรทามเปตามาบว่าอันวเทพมุตโตนี่เมื่อก่อนทาริททาริทวไปว่าถูกงกให้พ่อไงเป็นไงไอเป็นคนจนเที่ยวขายย่างเน่าในห้องอนุราชับุรีเมืองไงขายหยาได้มาเลียกสี่ตนมือหนึ่งเลาะเหลียบไายตีนฟังนาทีเคินใส้ข่าง่ามดังเดิมเรื่องไหวเขาก็เอามือตอดใส่เข่าในขาดกองกอไหวเจดีให้ญ่สูง แล้วจึงปักลักไววกองไส้ใหญ่ๆทึงจอมท่องจิ๋วประดับแผ่นแผลงเอศูอันแล้วจึงวันน่นท่าหนอมไตทว่าหนบหนอบข้อมรบแกวสามเจ้านอพอกับท้างอุปถาเจ้าพิโคมูส่งสินกินท่านทํารรมสินมีพร้อมคั้นบัจจุติีแล้วเมืองแม่นเทพบลอกสิบหมื่นเจาาา้าเทว่าเฝาแฮแห่นโบงง่ายๆบ้านเทววัดตบปะทายตบปะท้ายเอากินดินไส้มากกองเห็ดเป็น พวกธาตุเลวัตธาตุเจดีสมมุติว่าเป็นธาตุเกตแก้วจุลามณีเอาทองมาปักบานเท่าประเทศเลยจ่ดอกตอปลาไทยเนะาะย่ําเดือนหาย่ําเดือนหาในวันตรงกาลตบปลาไทยเอาขี้ดินตายมากองกองขึ้นปักทองนหน่อยๆเป็นแถวพากันกราบกันไหวดอกใหม่บูชาสมมติเป็นประธาตุเกตแก้วจุลามณีคนคนนี้ก็ได้ทําดังนี้พร้อมนังอุปทาพิสุสงองค์กสามเณีเมื่อตายแล้วก็เลยมีบ่อนิวรันเป็นหมื่น นี่เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็เอาและเสร็จทีนี่พระรีอาริยะเมตไตรเทวบุมาแล้วมีบริวารมากไม้กายกองเมิดฟ้ามวลสวรรค์มาเลยทีเนี่ไม่รู้เท่าไรพระอิง ก, ก็บอว่า น, นั่นนั่นนั่นน่ น, นั่นะคือสรีอาริยะเมตไตรที่ยกกำลังเข้ามาสู่ที่นี่ก็เลยเป็นโอกาสดีโอกาสดีของใคร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 เออนี่อยากจะถามโยมสักหน่อยในศาสนาของโยมนี่มันดียังไงแล้วจะต้องทำบุญสุ้นตอลทานอย่างไรจึงจะได้กเกิดพันโลกภาษีอ่านคนอยู่ในเมืองมนุษย์ทำบุญำตำทานบาทหนึ่งเสลึ่งเดียวสาทุท้นอนคอยผููขาพบเห็นหนาพระเมตไตรศาสนาของเจ้ามันดียังไนก็เลยถามอย่างนี้ ภาษีเรียมัยเทพบุตรก็บอกว่าอันมาสาตนาภาษีอันนั้นมีตั้งเตะซุขีบหอนมีศาตนาใดเปียกปนปันใดอันมาฝนตกของไหลลงเปียกซุ้มซิบหาหมื่นฝนติดถึงเล็ลงล่องย่าเมือ่อฝนตกนั่นกับตกแต่กลางคืนบอนตกกลางเว้นเปียกขําห้หวยนาหมกพรึกซาเสี่ยวเขี้ยวงามอ่อนอ่อนไข่กับอ่าหอมกลุ่มอยู่เลิก บ้านโบไก่โบไก่พ่อไก่บินถึงวงกล้วยฟุงยกกอยูอยกอ่กินหย่างหยาผ้ากันล่งกินนามในน้องบึงบวกสั่งและมากินยหยาห่วมกันบวัวพิดกันบัาย่านกันมากับสั่งกินน้ำกันเป็นโม่บ่มีโจรปูหายลักปลอบเอาของหงวงกล้วยป้าปล่อยไล่บ่มีเลี้ยงโอ้ตะกังนามบึงบางสะพังบวกเต็มอ่างล้นแตมื่อดามขอบผูน้ำเปี่ยมฝั่งตลอดกาน อันว่าคนแก่เถ่าทีพญานโลค่าตร ะ, ะ, ะนาของปศีอานหักบ่มีพ่อดีมีแต่เบาวศร้าจ่อยสวยงามปานเสียนคือจังหลอดแต่ฝ่าสวรรค์แต่แฝงล้ออันวราชาเจ้าปกกองถวยหลาดมหันต์อันนาจก่าคมเพ่งขาหมูข้นมีแต่ปกป้องทัสลาดข้าเมืองถือสินรมเทียงกิงจำมันบ่มีพิดบงังเฉาะโกงกินกรำเกอบข้อรับฉันเมืองนั่นบ่มีพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เลย อันวกากับนกเขาเคยื่อบถอกกวนกันนู ก, กับแมวคูเวนมีเว่นจนฟ่อนหน่อยกับงูบางเบียดเสือแลเหนือศัตรูเข่าเกาหลังกับบมีคัดของต่อนลกุมกันก็มีปาหนี่ต่อกันขี้ขอยศัตรู ด, ดั่งเดิมมากแต่เปลี่ยนเติมสู่ก่อนนอนกิ่งกอมสายจะเป็นอย่างนี้ อรวคนในโลกพื้นลุ่มเศ้าว้มผู่หน้าสซนป้าปล่อยไล่ล่าท็มว่ามีการขายขาหาทุนหมนเปลี่ยนหกักบอกรกีวของสบายเหนือสู่คนหย่อนว่าได้อาศัยตนการประพฤติเทว่าทั้งผู้ชา้าแทนเพ่พัผนผาเงิ่อนคาแกวค้อยนิ่งล่ำคาพิสพจดพร้อมหลายลวดเกิดน้าพู้ไจะเป็นดีนอกเพอาะไงไม่ไงฝนตกตั้งแต่กลางคืนสิบห้าวันตกครั้งหนึ่งแผ่นดินนชุ่มชื้น แต่ถึกไม่เป็นตมเป็นคนแล้วก็ไม่มีฟุ้นละอองให้เป็นมาเป็นไอจามฮัดเชอยอย่างนี้เพราะดินมันชื้นชุ่มอยู่ด้วยฝนสิบห้าวันตกครั้งหนึ่งอ่อนสิแห่งผัดตกมาใส่โตก๊กะกัดตกแต่กันขื่นบอลตกกลางเว้นเปลี่ยนห่ำห้วยหนาปรึก้าเสี่ยวเขี้ยงงามปวดอ่อนไข่กับอาหอมกลุ่มอยู่คู่งามไปในห อ, ห, อหอมแม่น้ำเต็มเปลี่ยมฝั่งตลอดการสะพั่งน้องบึงบกเต็มอยู่เรื่อยเสมอดามขอบคู่น้ำห้วยหนึ่งเต็มฝั่ง นกตาไม่ต้องกล่มลงกินให้ปวดคอและยังแบ่งกันไหลไห ล, ลขึ้นข้างหนึงไหลลงข้างหนึ่งจะไปเนื้อหล่องไตคัดเข่ารันเวย์เหมือนถนนซุเปอร์ไฮเวกกรุงเทพไหลขึ้นเองลงเองบนในภายได้จำได้ตอ่อปวดแขนปวดคอปวดมือปวดขาสบายนี่คือโลกภาษีอัดนอกจากนั้นสัตรูกูเวนกากับนกเขางูเห่ากับพังพอนไม่ทะเลาะเบาแวงแมวกับนูนนอนหยอกกันเล่นเป็นเสี่ยวกันสบายสบาย แหมมันดีปานนี้แล้วก็ยังมีต้นกัะลาปพึกพิเศษขึ้นสีมุมเมืองใครอยากจะได้อาาะไรคบกับบากสากะเบือพิเกือเกือปลาลาเสื้อผ่ามวอกรองเท้ากางเกงรถเก๋งมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิพัสเตอร์แซ็โตโยต้าโอยอธิษฐานออกนอกหมกลอก ม, มาล้วนมันดีปานนี้เห็ุจังใดที่เกิดท่านตระหนาของเจ้าซีอริยเมไตบอกว่า พระผู้เป็นเจ้าจงไปบอกกับโมบวัดมนุษย์สโลกนูน้นแต่ใครปราฏิาริจะเกิดทั้งโลกภาษีอานจงทำบุญซุนตระทานให้ทานฟังธรรมจำสินโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง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 โลกภาษีอา่านเลื่องการทำบุญในเรื่องพระเวสสันดร น, นี่เริ่มต้นที่ประเทศศรีลังกาแหละแล้วก็ต่อมาทั้งพม่าม า, มาประเทศไทยประเทศลาวของเรานี่เราได้อ บ, บุญพระเวสสันดรเงินพ่อเหตุนี่อยากจะเกิดทันโลกภาษีอันพูดถึงตรงนี้ก็ขอหยุดวิจารเป็นปริทัศน์ต่อโลกภาษีอา่านสักหน่อยพ่าโลกภาษีอา่านนะโยมเนาะ อ, อาดามาอยากจะบอกให้ทราบ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 สีอารยะเม่ไก่ไปว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญนด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเม่ตาบท่านหลายลองคิดดู ถ้ า, าเรามีเมตตาธรรมเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้จะมีคนลักศกจอก่อกันไหมจะมีศัตรูคู่เว้นกันไหมมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสโลภสีอานเบาหวาลงจากบ้านจากเรือนและจํากันไม่ได้มันสวยสดอดงามด้วยกันทั้งนั้นจะไม่สวยอย่างไรเพราะคนมีแต่รอยยิ้มคนมีแต่ความเมตตาปานนี้ท่านลองคิดดูถ้ามีสินายบริสุทธ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 ใครไม่มีใครขาดแคลนควา ม, มเมตตาปานนี้มันจ้องที่จะช่วยเลื่อเจอจุนจ่องที่จะสงเคาะเจ้าบ่มีเอาของใค่อยไปก่อนพ่อใหญ่เอย๋ยพ่อลุงเอย๋ยพ่ออุ้ยเอย๋ยไว้เจ้าบ่มีเอาของครไปก่อน ม, มันเปนว่าหาบาทไปสิบบาทมาันายทําสัญญาให้ดีๆมีสักขานพยานเรียบร้อยปานนั้นก็ยังโกง ก, กันหนาๆแบบแก่เขาทำอย่างนี้ไม่เอาโลภสีิอันไม่มีอย่างนี้จึงบอกว่าไม่มีโจรมีข้ามวยโม่ข่อยป้าปล่อยไล่บ่มีบ่มีเลี่ยง บ่มีกันโจรขโมยเลยป ล, ยปล่อยปะละเลยไปก็ได้แล้วก็ไม่มีศัตรูคู่เวนกันหนูกับกากับนกเขาูเขากับพังพอนเลยต่างๆบ่มีพัดของต่อนไล่กุมกันเขาก็มีปานี่ต่อกันขี่หอยศัตรูดังเดิมมาแปลเปลี่ยนต้มสูกกัวนอนกินกอมสหายปานเสียวงัวควาย อยู่ด้วยกันเสื้อแม่ลูกอ่อนนอนให้ลูกงัวกินนมสบายสบายหักกันแพงกันนี่คือความหมายคนมีสินมีธรรมมีสินห้าให้บริสุทธ์ฟังธรรมประเวทสันดอนให้ครบสิบสามกันเหมือนวันนี้ให้รู้จกักหัวเจประเวทสันดอนฮัยังเทยังจากคุ้งมังสั่งปีอุทีลังปีจากทายังกายยังสั่งเวทวาญฮิโกยิ่จะเยมามังกใจะมาขอดวงตาขอหัวใจเลือดเนื้อ วิญญาณเนื้อหนังมังสั่งเราให้ทั้งนานจนเป็นดินหวาดหวั่นไว้เราฟังแล้วไม่ต้องทำถึงกันาตะเวศสันดอนอย่างน้อยสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ ไม่เอารักเอาเปรียบกดีก ค, คมเพ่งกันคิดของเขาก็จิตคิดดูเราเราก็ใจปูกื่นใหญ่หรือจะสู้ปูกายตีให้อภัยกันได้ยอมกันได้อยู่กันฉันพี่ฉันน้องถ้าอย่างนี้ไม่ต้องถึงกับให้ดวงตายหัวใจเหมือนพระเบสันดอนโลกภาีอ่านก็จะเกิดขึ้นเหมือนพระเยซูพูดกับชาวบ้านที่ท่านสอนว่า The Kingdom of God อินเอาเออแฮมภาษาฝรั่งว่าอย่างนี้อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในมือของเราแลว้วอาจจะมาอยากจะบอกจบว่าอาาจักภาษีอานไม่ต้องรอตายเน่าเข้าลงอยู่นในมือของเราแลว้วถ้าหากเรามีศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วก็มีความเมตตาปานีในจิตในใจจ้องที่จะช่วยเหลือเจือจุนไม่จ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบเหยียบย่ำทําำลายซึ่งกันและกันอิจฉาตาลอ่อให้มีจิตใจเมตตาปานีต่อกันมันจะเกิดต้นละกันละประพฤกขึ้นมาไม่ต้องพูด ถึงสี่มุมเมืองประเทศไทยมีห้าสิบสองล้านคนก็มีห้าสิบสองต้นกันละประพฤกษ์ใครไม่มีก็ช่วยเหลือเชื่อจุนกันไปไม่ต้องไปไหนมาไหนโคกระบาซากาเมือพริเกเขือเขือปลาลาปูต้นไม่ตีต้นไม่ ต, ต, มตีต้นหักต้นแพงมอบให้แก่กันแลกกันอย่างอาตมาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่พระกูวิสุทธิญาณสนทร อ, อยู่กรุงเทพนุ่นวัดปทุมวนาลาม ท่านไม่เคยมาเห็นวัดนี้แต่ท่านรู้จักอาตมาอยู่กันด้วยความแรงแทนพผาเมตนอดยากลำบากท่านทรงปากาป้องมาทรงอาหารแห่งมาทรงผ้าจ่าบงจีวรมาอวยพระทั้งวัดก็ได้ต้นไม้กัลปพฤกต้นนี้และต้นวิสุทธิยาณนะสนทรที่วัดปฐมนี่ส่งมาแล้วก็มีอีกหลายท่านและทีเดียวพระมหาวิชาที่วัดไต้มิดนอกจากนั้นก็ญาติโยมทางจังหวัด อย่างนี้คุณโยมเฮียงศึกษาธิการอะไรต่างๆพันปวราชการดังวัดท่านไม่ได้มากก็ฝากมาสมาอย่างนี้แหละคือต้นไม้กัลปพฤกเกิดขึ้นแล้วในจิตในใจต้นเมตตาต้นไมตรีต้นรักต้นแพงนต้นสามัคตรามซึ่งอะไรกัน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 ดังนี้หมายความว่าจิตใจคนไม่โลภได้ขนาดไหนก็พอใจขนาดนั้นสั้นตุติประมังำํำหนังความรู้จักพอใจเป็นทรัพย์อันประเสริฐดีมาและทรัพย์ายอิสอีขน คือสิ่งที่ได้มาและความป่าถนามันพอดีกันเดี๋ยวนี้เรามีเงินกันสิบล้านไม่พอร้อยล้านไม่พอพันล้านหมื่นล้านขายายอิทธิพลอำนาจอภิสิทธิอิทธิพลโ อ, อกาสวาดธนาแย่งกันกินแย่งทินกันยอยู่แย่งกู้กันพิษวดัดแย่งอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตมันก็เลยเข้นฆ่ากันมีเงินหมื่นล้านพันล้านไปไนั้นต้องจ่างมือปือแนแห่เป็นกระโยงกระโยงกลัวเขาจะฆ่าจะแกงทั้งหมดนั้นคือมันไม่มีความพอดีหัวใจไม่มี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 ได้แค่นี้พอใจแค่นี้แล้วยังระ บ, บายออกไปสู่ชุมชนสู่มวลชนชูเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เ จ, จ็บตายกินคนเดียวมันไม่อร่อยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลผู้กอบโงยไว้กินเพียงคนเดียวย่อมไม่พบกับความอร่อยคือต้องกินด้วยความยากลําบากคิ้วห้อยเลยยังหึงอวงกลัวเขาจะมาแจ่งไปกลัวจะล้มละลายตายจากไปต้องจา่างมือปืนแหเป็นกระจงยังไม่พอยังถูกเขายิงตายวางระเบิดตายกันเป็นแถวอย่างนี้เรียกว่าตกนารกติดเอก เป็นอสุรกายติดเออสุรกายแปบ่าหวาดกลัว อักไปว่าใหม่สุระกาหาันใหม่กาหันอสุรกายโยมูเราที่ไหม่กาหันกี่ขาดหวายกลัวไปไหนจ่างมือปืนแหเป็นขยงมีเงินมีทองนั่งห้องแอนั่งรถเก๋งติดแอเป็นอสุรกายติดแอจิตใจเร่าร้อนมนุษย์นิรโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมานุษย์อย่างนี้ก็เรียกว่าตกนาลกติดแอเจนทําแต่จิตใจมันเร่าร้อนเหมือนไฟเผาเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นหึงหวงอิจฉาตารอดวอย สารพัดนอกจากนั้นยังเป็นดิรชานติดแอติรชาโนไปบอกขวางมนุสติรชาโนเป็นคนขวางบ่านขวางเมืองความเจริญขวางต่อความถูกความต้องในสิ้นในธรรมมผลนิพพานอุยสารพัดเพราะเหตุนั่นเอง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 เขา้าเป็นปีหนอกบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันแามขาดเคินเจ็เป็นเพิงผ้ากันแดดแงมเอามอลาหนังหมวยหโฮมกันเบียดขบับสงสวยซสมจุดเพาะสการไห้สองถังคือคนโบราณท่านผุดเอาไว้อยู่กันอย่างนี้เก็นโลกสีอา่ารีดีสีไปบอกความสวยงามอารยะไปบอกความรุ่งเรืองจำเริญเมตตะไปบอกเมตภาพอันยิ่งใหญ่และเมตตาทำอันยิ่งใหญ่สีอาริยะเมตตา แปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่ง ม, มิตรภาพและเมตตาธรรมไม่ต้องรอตายเน่าเขาลงทำให้มันเกิดให้มีขึ้นในจิตในใจว่ากันว่าในโลกภาษีอานั้นยังมีอีกมีพระอริยะเจ้ามากกว่าร้อยกว่าพันกว่าหมืน่น พวกเราไม่พูดถึงในเรื่องมาลายหมืน่นมาลายแสนก็พูดแต่เรื่องเทวดาสิบสองตอนที่มีบริวารเท่านั้นแหละก็พูดถึ้งโลกภาษีอ่านจาเจริญอย่างนี้มีแผ่นดินเรียบราเป็นหน้ากองมีต้นไม้ ก, กันมาพึกษีมุมเมืองไม่มีสตูขู่เวน้นสิ่งกันอะไกันไม่มีกระโจนขมวดแล้วก็ไม่พูดต่อไปว่าในเมืองของโลกภาษีอาณาจักนั้นมีพระอริยเจา้าเป็นจํานวนมากกว่าสมัยใดที่สุดพูด ตามหลักพระไตรปิฎกแจก้งจกักรวรติสูตรที่ขณิกายปฏิกว่าพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดสูตรที่สองเราจะหาได้ไม่ยากนักในสูตรนี้และมีเข้าโคงเรื่องของพระศีริอารยเมตตาได้เกิดขึ้นแต่ถ้าหาใครคิดว่าเรื่องพระเวศสันดอนไม่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่แต่งกันขึ้นมาเมกันขึ้นมานั่นก็ควรจะได้เข้าใจต่อไปว่า เรื่องของภาษีอานภาษีอริยเมตไทนี่ก็คงจะเป็นต้องเรื่องเมขึ้นมาแต่งขึ้นมาแต่ความจริงมันมีาาหลักฐานในชั้นพระบาลีในพระไตรปิฎกจักรวรรดิสูตุทีขันิกายป ต, ติกวักพระไตรปิฎกเล่มที่11ที่พูดไว้เรื่องพระเจ้าแผ่นดินชื่อเป็นพระเ จ, าจา้าจักรพรรดิเกิดขึ้นมาส่วนนี้มันยาวเพราะเป็นเรื่องของทีขันิกาย ในตอน ท, ท้ายของสูตรนี้มีเข้าของเรื่องของภาษิา อ, อารยะเมตไตรเกิดขึ้นลองไปเปิดกระไาษปีดกทีคณิกายปฏิกวัตวจักวัตรีสูตรเล่มที่สิบเอ็ดข้อที่แปดิข้อที่สี่สิบแปดท่านจะได้พบหน้าที่แปดสิบสาม พระพุทธเจ้าท่านเหล่าเหลืองมนุษย์ใหม่มีสินใหม่มีธรรมหลังจากเป็นพระเจ้าจักรวตรดราชแล้วลูกชายของพระเจ้าจักรวรรดโอรสนั้นใหม่มีสินไม่มีธรรมอายุคนก็ ล, ล, ลอยล้อลงขาวลันแทงสินหาเสื่อมซ้ำจนไม่มีในจิตในใจเซสพสมกันเหมือนแพะเหมือนแกะเป็ดไก่สุกรแม่กับลูกชายพ่อกับลูกสาวผี่ชายน้องสาวอะไรเเสพสมกันไม่รู้จกคู่บาอาจารย์เเสบสมกันม้วไปหมดไหนที่สุดก็เกิดสัทันตะละกกับเมื่อเจ็ดวันเจ็ดคืน เค้นฆ่ากันจนตายแล้วก็มีพวกที่หนี้ไปอยู่ในป่าในดงไม่อยากแกเค้นจะฆ่าเมื่อโลกลางคนตายกําหมดก็ออกมาพบกันก็นดีใจวิ่งทั้าไปก่อกันโอ้เราไม่ตายเนอในที่สุดความไม่ตาป่านนี้ก็เกิดขึ้นอายุก็ค่อยยืนขึ้นยาวขึ้นยืนขึ้นยาวขึ้นถึงแปดหมื่นปีว่ากันว่าอายุห้าร้อยปีจึงมีความกำหนักมีลูกมีพวมมีเบียกันได้นี่มีในจากหลักฐานชั้นพระบาลี เราทั้งหลายจะว่าท่านวาเอเองเรื่องพระเวทย์รันดอนเรื่องสีอริยเมตไตรนี่ก็ดูอะไรอยู่รู้สึกจะเป็นนักปราศแก่แดดไปหน่อยถ้าจะเชื่อตามพระบาลีก็ควรจะพิจารณามันน่าจะมีเรื่องเล่าที่เป็นจริงอยู่บ้างเพราะมันมีเ ข, าข้าคงเพื่อไทยบีดกจะกะวตดดิสโตทีข้ิกายปฏิกับวักเล่มที่สิบเอ็ดข้อที่สี่สิบแปดหน้าที่แปดสิบสาม บรร ท, ทัดที่หกที่เจ็ดมีพูดไปชัดบอกว่าอัสิีติวัสสสหัสสาเยสสหัสสายุเกสุพิกเวมนุษย์เสสอเมตเดโยนามะปะกวาโลเกอุปชิสติอรหังสมาสัมพุทโควิชาจรณาสัมปโนสุกโตโลกวีทวนุตโลบริสธรรมมาสาลธิสทาเทวมนุษย์นังพุทโภควาเสยธาปาหามเมตระหิ โลเกอปโนละหังสมาสัสมพุทธโธพูง่ายๆกับพูดเหมือนกับพระพุทธเจา้าท่านบอกว่ามันจะเหมือนกับท่านเกิดขึ้นมาในโลกนี้แปลเป็นภาษาไทยของเราวา่าดูก่อนพิจิตรหลายเมื่อมนุษย์มีอายุถึงแปดหมื่นปีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพนาบวมเมตไตรจะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกพระองค์เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะเสด็จไปแล้วด้วยดีรู้แจ้งโลก เป็นสารทีผู้ฝึกบุษที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสตราของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานและเป็นผู้จำแนกถ้าทําออกสั่งสอนสัตว์เหมือนแตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกบัดนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบและผู้มีบา้าเจาาน้ําว่าเมตไตรพระองค์นั้นจักทรงทําให้โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพาม ในนี้แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าพระพูมมีภาคเจ้ า, จานามว่าพระเมตไตรพระองค์นั้นจกทรงบริหารภิกษุสงฆ์หลายพันเหมือนแตทาคนบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อยในบัดนี้ฉะนั้นนี่ันหลายลองคิดดูแต่ในเรื่อง